ข้อความในหน้า276นยนะพุทธปูชนะปัญหาพระจามิลินก็กราบปเรียนถามพระนาคเซนต่อไปว่าพระคุณเจ้าพระตถาคตทรงพาเสร็จความข้อนี้เอาไว้ว่าอพยาวตาตมเหอานันทะโหถาตถาคตาสสเรระปูชายะนี่แนอ่นอานน ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเถิดนะท่าก็ บ, บอกว่าสั่งว่าอย่ามายุ่งมาวุ่นวายอะไรกับการบูชาสรีระให้มากเลยเนี่ยนะพูดแบบสำนวนเราๆนะแต่อีกแห่งหนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าปูเชเทนังปูชนิยสสะทาตงเอวังกิระสัก ข, ขมิโตคมิสสะ แปลว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิดเพราะว่าพวกท่านทําอย่างนี้ละจากโลกนี้แล้วก็จกไปสวรรค์ชวนกันไปบูชาพระธาตุกันใหญ่เลยแม้กระทั่งเท้าสักกะก็ยังชวนเทวดาไปบูชาพระธาตุเนี่ยนะบอกว่าถ้าบูชาแล้วจกไปสวรรค์อตอนก่อนปริณิพานพระองค์บอกว่ า, อ, าอย่าขวนขวายในการบูชาพระสรีระเลยพอปริณิพานแล้วทุกคนมาเชียร์ว่าบูชาพระธาตุกันนะ เอ็มยังไงกันพระคุณเจ้าน่าเคสเษนถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านี่ในอานอนท์ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสริระของตถาคตเถิดดังนี้ไซท่าอย่างนั้นคำที่ว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระาธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิดเพราะว่าพวกท่านทำอย่างนี้ละจากโลกนี้แล้วจากไปสวรรค์ดังนี้ก็ไม่ถูกต้อง เพราะคำตอนแรกปฏิเสธตอนหลังมาบอกอนุญาตถ้าหากว่าพระตถาคตตรัสว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรบูชาเถิดเพราะว่าพวกท่านทำอย่างนี้ละจากโลกนี้แล้วจักไปสวรรค์ดังนี้จิงสายท่าอย่างนั้นคำที่ว่านี่เนีอ่ยนอนุนขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสริระของตถาคตเถิดดังนี้ก็ไม่ถูกต้อง ปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดช่วยชี้แจงให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไ ง, งว่างกันคือเพราะมันขัดกันเองเพราะว่าก่อนปรินิพานพระองค์บอกว่า อ, อยากขวนขวายในการบูชาหลังจากเป็นพระาธาตุไปแล้วบอกว่าจงขวนขวายในการบูชาย่อมขัดกันนะ พระนาเกษณก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิทิ์ข้อความนี้ไว้ว่านี่ใ น, นอนนท์พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของพระตถาคตเธอ ด, ดังนี้จริงและอีกแห่งหนึ่งก็ตรัสไว้อีกว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรบูชานั้นเถิดเพราะว่าพวกท่านทําอย่างนี้ละจากโลกนี้แล้วจักไปสวรรค์อย่างนี้ก็จริง แต่แต่อธิบายว่าคำว่านี่แนี่อา น, อนุนพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเธอดังนี้ที่พระองค์ตรัสนั้นอ่ะตรัสปรารภภิกษุที่เป็นชินบุตรเท่านั้นไม่ใช่คนทุกจำพวกเน้นสั่งพิเศษเฉพาะพระภิกษุว่าอย่าไปขวนขวายในเรื่องการ บูชาพระธาตุเลยขอถวายพระพรการบูชาอย่างนี้นั้นน่ะไม่ใช่การงานของพระพิษุผู้เป็นชินบุตรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยการบูชามีสองอย่างการบูชาพระพุทธเจ้านะบูชาด้วยวัตถุกับบูชาด้วยการปฏิบัติทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสันเสริญการบูชาด้วยการปฏิบัติมากกว่าการบูชาด้วยอมิตรด้วยวัตถุทั่ว ท, วทวไปทีนี้ถ้าหากว่า พระพิสุส่์ทั้งหลายมาขวนขวายบูชาด้วยอมิตรล่ะละทิ้งการปฏิบัติบูชาล่ะพระองค์ก็กล่วตำเหน็นะเพราะว่าการบูชาด้วยอมิตรไม่สามารถยังศาสนานี้ให้ให้เจริญได้เนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าแม้กระทั่งบางแห่งกล่าวว่าถึงจะสร้างวิหารเท่ามหาวิหารเต็มจักรวาลก็ตามเถอะก็ไม่สามารถรักษาพระศาสนาเอาไว้ได้ ก็จริงอย่างนั้นจริงๆเพราะอย่างบางแห่งที่เของมาไปเห็นพระาธาตุที่เขสร้างสร้างกันน่ะพอสร้างเสร็จแล้วบางทีมันมีปัญหาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วถามว่าใครดูแลได้หรอเพราะบางแห่งสร้างไม่ใช่สร้างธรรมดานะบางพระาธาตุสร้างเป็นพันล้านะนะบางบางเจดีนะสร้างเป็นพันล้านถามว่าพันล้านเนี่ยถ้าค่าบูรณะเนี่ยกับค่าก่อสร้างเไงว่าไหนจะมากกว่ากันนั่ บูรณะต่อเนื่องบ่อยๆบ่อยๆมันใช้ทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามาขวนขวายอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะบูรณะอย่างนั้นมันก็ต้องอย่างพระพิสุไม่ได้ทําไร่ไถนาพอจะมีสตังใช่ไหมบูรณะโดยการใช้เงินถามว่าเอาเงินที่ไหนมาทําก็ต้องไปขวนขวายแล้วเรื่องอื่นมันก็ตามมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระพิสุมาขวนขวายทํากิจเหล่านี้ไม่สามารถทําให้าศาสนาอยู่ได้เนี่ย น, นะนพระองค์จึงไม่สันเสริญในการบูชาศริระด้วยอมิตร มันพงจึงเน้นพิเศษคือการบูชาด้วยการปฏิบัติพันถามว่าแล้วการบูชาของพระชินบุตรทั้งหลายควรทํำอะไรก็คือการพิจารณาสังขารทั้งหลายคือพิจารณาสังขารสังคตะธรรมทั้งหลายนับหนึ่งก็คือสังขารธรรมใช่การพิจารณาสังคตธรรม2นับเป็น2ก็คือควรพิจารณานามรูปนับ3าควรพิจารณาเวทนาสาม ถ้าทำสี่ที่ควรพิจารณาคือควรพิจารณาอาหารสี่ควรพิจารณาอุปาทานขันห้าควรพิจารณาอายตนะภายใน6ควรพิจารณาวิญญาณทิติเจดควรพิจารณาโลกธรรมแปดควรพิจารณาสัตวว่าด้าเก้าควรพิจารณาอายตนะสิบควรพิจารณาอายตนะสิบสองควรพิจารณาปฏิจจสมุบาสิบสองควรพิจารณาท่าสิบแปดนั่นคือสิ่งที่พระพิสุควรพิจารณาควรโยนิโสมรสิการด้วยสมถะแล วิปัสสนาการตามพิจารณาสติปัฏฐาน4การเจริญอนุปัสสนา7็ในกายการเจริญอนุปัสสนา7็ในเวทนาการเจริญอนุปัสสนา7็ในจิตการเจริญอนุปัสสนาเจ็ในธรรมทั้งหลายหรือการถือเอาแต่แก่นแห่งอารมณ์คือสมถะและวิปัสสนาว่าอารมณ์เหล่านั้นจะมีสาระแก่นสารต่อเมื่ออารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่ง สมถะและวิปัสนาเพราะฉะนั้นให้ถือเอาแต่สมถะและวิปัสนาที่เป็นแก่นแห่งอารมณ์หรือสาระที่ได้จากอารมณ์ต่างๆด้วยสมถะและวิปัสนาเพราะนั้นกิจของพระพิสษุขูการรบกิเลสเนี่ยนะก็คือรบกิเลสเนี่ยแปลว่าพิจารณาอย่างไรจึงจะกําจัดความเศร้าหมองทางความคิดได้เพราะคําว่ากิเลสเป็นชื่อของความเศร้าหมองทางใจคิดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงจะดับความไม่สบายใจได้ จึงจะแก้ปัญหาความระแก้แก้อักเสบความคิดได้แก้จิตที่มันอักเสบได้ทําใจให้สบายได้ทําใจให้เป็นสุขกับสมถาวิปัสสนาได้เหมือนการบําเพ็ญประโยชน์ตนเนี่ยนะการบําเพ็ญประโยชน์ตนคือการบําเพ็ญไตรสิกขาบําเพ็ญอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาข้อนี้ต่างหาก เป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรบุตรของพระชินเจ้าทั้งหลายพึงทําการปฏบิบัติบูชาแบบนี้ส่วนการบูชาแบบด้วยอมิตรบูชาบูชาด้วยวัตถุดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นนั้นน่ะเป็นกิจที่พวกมนุษย์และเทวดาที่เหลือทั้งหลายพึงทํานี่ยนะคือเป็นเรื่องเป็นหมว่าเป็นหน้าที่ของคารวาททั้งหลายว่างั้นเถอะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าการศึกษาเรื่องช้างเรื่องมาเรื่องรถธนูดาบเลขการคำนวณและพระขันเวทมนกฎห ม, มายการรบการจัดแจงทัพเป็นกิจที่พวกโอรสของพระราชาพึงทำหมายความว่าทราชบุตรนี้ต้องไปศึกษาวิชาอะไรใช่การไถนาการค้าขายการเลี้ยงโคเป็นกิจของพวกเวทพวกสูตรมากมายที่เหลือทั้งหลายพึงทาไม่ใช่ว่าโหระราชบทเนี่ยมาเรียนวิชา ไถนาอย่างเงี้ยนะเฟคได้เรื่องได้ราวอะไรใช่ไหมมันก็ต้องไปเรียงน่นเรื่องการปกครองเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องอะไรว่ากันไปตามลักษณะของผู้ที่จะทํากิจในการปกครองเนื้อไปแย่งเขาขายของชําหมดกรยุ่งขอถวายพระพรการบูชานีเนี่ยนะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมประทีบโคมไฟอ่ะนะด้วยมาลารองเท้าเป็นต้นเนี่ยการบูชาเหล่านั้นนะ่ะไม่ใช่การงานของพระชินบททั้งหลาย การพิจารณาสังขารทั้งหลายคือการเจริญวิปัสนาโยนิโสมนสิการการพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแต่แก่นอารมณ์การรบกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ตนคือการเจริญไตรสิกขาข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายถึงทำส่วนการบูชาเป็นกิจที่พวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือพึงทำฉะนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพวกคำภีร์พระเวททั้งหลายคืออิรุเวทยชุระเวทสามเวทอัฐพนเวทคำพี์ลักษณะคัมภีร์อิติหาสะคัมภีร์ปุราณะคมภีรนิคันโุเกตุพะอัครประเพทะปะคมภีพยากรคัมภีรภาสมะคะคัมภีอุบาทคัมภีรสุปินะนิมิตฉลังคะจันทคาหะสุริยาคาหะคัมภีร์สุกะราหุจริตะอุรุคะ ยุทธะเนี่ยนะคำพีเหล่านี้เป็นต้นอะ่ะของลัติพราหมะนะเป็นหน้าที่ของพวกพรามมานบทั้งหลายศึกษากันส่วนการไถนาการค้าขายการเลี้ยงโคเป็นกิจที่พวกเวศและสูตรทั้งหลายที่เหลือพึงทำฉันใดขอถวายพระพรการบูชานี้ไม่ใช่การงานของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นชินบุตร การพิจารณาสังขารโยนิโสมนสิการการตามพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแต่แก่นอารมณ์การรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ตนข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายพึงธรมส่วนการบูชาด้วยวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะเป็นกิจที่พวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือพึงทมฉะนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้ว่าพวกเธออย่าประกอบในการงานที่ไม่สมควรเหล่านี้จงประกอบแต่การงานที่สมควรเหล่านี้เท่านั้นเถิดไม่มีเลยแม้แต่แห่งเดียวว่าตอนจะปริณีาพานที่สูตทั้งหลายจีวอนของพวกเธอแต่ละผืนนี่เอามาสละบูชาทําบุญให้หมดนะสละบุญโยนเลยไหนๆจะเอาไม่รู้จะเอาบริขารอะไรไม่ไม่เคยได้ยินเลยนะว่าพระภิกษุสมัยพุทธกาลเนี่ยสละบริขารชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็น พุทธบูชาเช่นสละบาทสละจีวรบูชาพระพุทธเจ้าตอนที่ดัแบบขันปรินิพานไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าให้พระภิกษุเหล่านั้นขวนขวายในการเจริญพระธรรมที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชาให้ขวนขวายตรงนั้นมากกว่าที่จะไปเน้นอามิรบูชา มันก็เป็นน่ยนะอย่างยุคหลังๆบางทีเนี่ยกลุ่มพวกที่อ ม, มิตรบูชาก็อ ม, มิตรจริงๆเลยนะไม่สนใจพระธรรมไม่สนใจอะไรสักอย่างจะอ ม, มิตรบูชาหามรุ่งหามค่ำจนป่วยจนไข่จนไม่สบายเหมือนกั น, นมุ่งจะเอาอ ม, มิตรบูชาให้ได้อย่างเงี้ยก็ก็คือบางทีก็เอามากจนกระบาจนทําจนป่วยเลยบางทีแต่ป่วยเสร็จแล้วกุศลเจริญก็ไม่ว่ากันนะปัญหาว่ากุศลไม่เจริญเองนี่น่าเห็นใจมั้นก็ต้องรู้จักการบูชาทั้งด้วยอ ม, มิตรบูชาและการ ปฏิบัติบูบชาพราะองค์สรรเสริญการปฏบิบัติบูชามากกว่าอมิตรบูชานี่ก็เพราะอมิตรบูชาเนี่ยอย่างไปที่กุสินาราเนี่ยสังเวชใจมากนะมีผู้ที่เอาอมิตรบูชาแล้วคนที่เตรียมรออมิตรบูชาก็มีอยู่ก็เร<ม>ียกว่าแท้จะมานั่งรอเลยนะเพื่อจะแบ่งปันทางไปให้ทางนน้นบ้างนะนั้นถามว่าเนี่ยเป็นผลผลิตของอมิตรบูชาเนี่ยนะนะผลผลิตของอมิตรบูชานํามาซึ่งความเสียหายขนาดไหนใน ศาสนาถ้ามิตรบูชาแต่หมายความว่าไม่ใช่ว่าพระพิสุทธ์ั้งหลายเป็นต้นท่านไม่ได้อยู่ด้วยปัจจัย4แต่การทําให้ถูกให้เหมาะให้สมเป็นเป็นสิ่งที่สมควรเนี่ยนะหาห า, หาความเหมาะสมให้พบถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าไพ่จะรักษากลายเป็นทําลายเนี่ยไพร่จะส่งเสริมกลายเป็นตายส่งเลยอย่างนี้ พันแทนที่จะทำให้ชีวิตยืนยาวกลายเป็นว่าอายุสั้นลงไปอีกเพราะว่าดูแลไม่เป็นฉันใดพระพุทธศาสนาเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจยากที่จะปกปักรักษาได้เพราะการบูชาด้วยการปฏิบัตินี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ รักษาศาสนาได้แล้วถามว่าถ้าจะบูชาด้วยการปฏิบัติแล้วเรารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามกำหนดจดจำว่าสิ่งที่พระองค์แนะนำเสมออยากให้เราปฏิบัตินั้นคืออะไรเราจะได้ปฏิบัตินั่นจะเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งพระศาสนาและขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาตลอดสอสงไขยแสนกับถามว่าจริงๆแล้วพงค์ต้องการอามิชใช่ไหม ให้ทานทุกอย่างเพื่ออมิตรใช่ไหมรักษาศีลทุกอย่างเพื่ออามิตรใช่ไหมเจริญนิคัมมะทุกอย่างเพื่อลาภสาการะสรรเสริญอมิตรบูชาเหล่านี้ใช่ไหมบำเพ็ญบารมีบริจาคบุตรภริยาเป็นต้นสละราชสมบัติสละชีวิตทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการอามิตใช่ไหมบอกไม่ใช่เพื่อสัพพัญยุตยานเพื่อมหาการุณาสมาบัติยานเป็นต้นเพื่อแสดงธรรมอนุเคราะห์มวลเวนยศาสทั้งหลาย ให้รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเขาจะได้ปฏิบัติแล้วออกจากทุกเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ต้องการสั่งสมปัจจัยสี่ดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยที่พระองค์ประพฤติพรหมจรรย์พระองค์ก็บอกว่าไม่ได้ประพฤติเพื่อลาบสาการ ะ, ะคําสรรเสริญหรือเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้คอยแก้รัตที่คนนั้นคนนี้ไม่พระองค์บอกว่าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวรเพื่อปหานะเพื่อวิราคะและ เพื่อนิพพานนั้นคำที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดจึงเป็นไปเพื่อสังวรปหาณนะเพื่อวิราคาและเพื่อนิพพานเนี่ยนะฮะคำสอนของพระองค์ทั้งหมดจึงมีรถเดียวคือวิมุตติรถคือรถแห่งความพ้นทุกหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในอุปาทานขันห่าว่าสุภะเป็นต้น พนะระองค์แนะนําข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับโทษดับพิษภัยทุกโทษ ท, ทั้งมวลของวัตะแต่ถ้าหาว่าไม่ขวนขวายในกอมิตบูชาแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นศะนะาสนาคื อ, อที่ศีลก็อยู่ไม่ได้เพราะอมิตรทั้งหลายนี่แหละเป็นเหตุให้ทุกศีลอามิตรทั้งหลายนี่แหละเป็นเหตุหให้ไม่ไม่สนใจในการเจริญสมถะแลย วิปัสนาพันธะหากว่าขวนขวายในอมิตรมากไปนั้นทําให้ไม่เจริญในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงห้ามแบบนั้นเพรัะคําว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าขวนขวายในการบูชาสิริระเนี่ยเน้นให้พระพิสุท์ผู้เป็นบุตรของพระองค์เนี่ยขวนขวายในการเจริญสมถวิปัสนาเป็นต้นซึ่งเป็นกิจของตนส่วนคารวาททั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะ พระเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วไปเขาก็เป็นผู้ที่เพลิดเพลินในวัฏฏะอยู่แล้วส่วนใหญ่เมื่อเขาเป็นผู้เพลิดเพลินในวัตฏะอยู่แล้วเนี่ยนะการที่เขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาอันนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกหน้าแล้วก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็สวรรค์เป็นที่ไปแล้วอุปนิสัยที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าผู้สมควรบูชาการที่เราทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราเห็นด้วยกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นด้วยกับการตรัสรู้ของพระองค์เมื่อเราเห็นด้วยกับคาสอนของพระองค์เราก็มีส่วนที่จะตรัสรู้ได พระองค์เนี่ยนะครับอนาคตต่อไปผู้ที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะยาวก็ทําที่สุดแห่งทุกได้แต่กุลบุตรพระพิสุทธ์ทั้งหลายถ้าไปคิดอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้น น, น, นะก็เท่ากับว่าเป็นพระพิสุทธ์ที่ขวนขวายบุญประเภทคาระวะอย่งนั้นนะมันก็ไม่ได้สามารถที่จะช่วยรักษาพระศาสนาด้วยไม่สามารถที่จะช่วยให้พุทธบริษัททั้งหลายเจริญด้วยเพราะอามิตรบูชาเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดปัญหา อย่างที่พระอรหันต์รูปหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าพระภิกษุรูปใดสังสมลาบสการะคือปั จ, จัยสีไว้มากพระภิกษุรูปนั้นชื่อว่าสังสมศัตรูไว้มาก เพราะมีเท่าไหร่ก็ศัตรูตามจํานวนลาบสการะถ้ามีสมมติถ้ามีคนนับถือ20คนนะทำใจไว้เลยว่าเราจะมีศัตรู20คน<ม>ถ้ามีคนนับถือ50เราจะมีศัตรู50ถ้ามีคนนับถือมากเท่าใดนะเราจะมีศัตรูมากขนาดนั้นถ้ามีปัจจัย4ี่เท่าใดสังสมศัตรูไว้เท่านั้นเพราะฉะพระพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นจริงๆอจริน